มาดูข้อความในปฏิสัมพิธารรกต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ได้กล่าวถึงหัวข้อธรรมะหลายอย่างด้วยกันเอกสารที่มีอยู่นะเปิดไปหน้ายี่สิบเจ็ดมาขึ้นข้อสามสิบเจ็ดผู้ที่มีเล่มอัตถกถาก็หน้าสองร้อยแปดสิบเก้าคือกล่าวถึงธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเลยนะปริญญาสามก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอย่างเช่น สภาวะที่รู้แห่งอภินยาอภินยาในที่นี้หมายถึงยาตะปริญญายาตะปริญญานั้นคือรู้กันในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วมันรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วใครไม่รู้บ้างหรอถ้อารู้ว่ายังไงกันนี้รู้ว่าเราว่าของเราอีกกันนะก็ไม่ได้รู้ว่าตาหูจมูกเล่นกายใจ กรุ๊เสียงเกลี่นรถโพธพธรรมรมวิญญาณหกภาษาหกเป็นต้นการรอบรู้สภาวะตามสภาพที่เป็นจริงของเขาอ่ะเช่นตาตาเนี่ยธรรมชาติก็เป็นยังไงหูจมูกลิ้นกายใจเ้าเป็นอย่างไรการที่สามารถรอบรู้รู้พร้อมทั้งกัดใจของสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีนี่แหละเรียกว่ายาตะปริญญาเป็นการรู้สภาวะธรรมด้วยการเข้าไปกาหนดรู้ อยาตะปริญญาที่ถูกต้องบริบูรณ์สมบูรณ์นั้นละอะไรละสกายะทิฏฐิละอหีตุกะทิฏฐิแล้วก็ละวิสมะทิฐิคือละสกายะทิฏฐิความสําคัญว่าขันธ์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราเป็นอัตตาเนี่ยนะแล้วก็ละความสงสัยที่ว่าเมันเกิดเลยรอยหรือ ย, อยังไงขันธ์ห้าเ่านี้ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่เกิดลอยลหรือก็การที่รอบรู้ขันตาหูจมูกลิ้นพร้อมทั้งปัดใจเห็นไหมอันนี้แหละเรียกว่ายาตะปริญญาดังนยาตะปริญญานี้ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งลักษณะควรให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นพวกยาตะปริญญาเนี่ยใครที่พิจารณาอาการสามสิบสองมหาภูตารูปทั้งหลายพวกนี้ก็นับเนื่องในกลุ่มยาตะปริญญา ส่วนสภาวะที่พิจารณาแห่งปริญญาอันนี้หมายถึงตีรณะประิญญาตีรณะประิญญานั้นคือการเข้าไปใไข้ครวนเพรอมาก็พุทธพจน์เนี่ยนะชี้นําเอาไว้ดีถ้าเราหมั่นซักซ้อมบ่อยๆ อ, อ, อันนี้ก็ถามอย่างตาเราเนี่ยนะจกขคเที่ยงหรือไม่เที่ยงตาของเรานะเนื้อ ก, กัอนนะกล่าวถามตอบเองนะนะจะโคเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะการที่หมั่นซักซ้อมถามอย่างนี้บ่อยๆจนมีอัธยาศัยเลยลืมตาเห็นปั๊บก็คือตาเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเคยได้ยินเฉวนะปัญญาเนี่ยเล่นไปัยในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เล่นไปไวมากเธอทีนี้ก่อนที่จะไวอย่างนั้นเนี่ยมันต้องซ้อมจนไวก่อนซ้อมให้ดีๆเลยซ้อมที่จะสอบถามตัวเองแล้วก็ไล่เงี้ยตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑธรรมรมเนี่ยนะวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตตกหกวิจารณหกลั่งถามอย่างเงี้ไปเรื่อยๆ ถามจนกว่าเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เชื่อไหมไอ้ไม่เที่ยงเราจะเชื่อตอนที่ได้ฟังธรรมเท่านั้นตอนแต่ภาวะปกติมันเที่ยงเกือบตลอดเลยตาของเราลืมเมื่อไรก็เหมือนเดิมแน่ใจนะว่าสาคัญว่าไม่เที่ยงจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นหรอกที่เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยซักซ้อมไงเจริญตีรนะณะปริญญาไม่ดีรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะ ท่านผู้ที่สาธยายพวกเกี่ยวกับไม่เที่ยงเอาไว้เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยได้มากเช่นจกักรคูเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกักรคูวิญญาณเป็นของร้อนท่านเมื่อมนาสิกานสีเมื่อไหร่ปั๊บของร้อนทันทีก็อี ก, อ, กอีกวิธีหนึ่งของเขาว่านี้ทุกข์ก็คือสิ่งเดียวกันแต่วิธีวิธีแสดงคนละอย่างเท่านั้นเองพ่านั้นเมื่อไหร่ที่เราประทับประทับเครื่องหมายเหล่านี้เอาไว้กับทุกสังขารธรรมเครื่องหมายเนี่ยลักษณะนี้แปลว่าเครื่องหมาย ประทับเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาไว้ทุกข์ขันทุกธาตุทุกอายตนะอันนี้แหละเรียกว่ารู้สามมัญลักษณะการเข้าไปที่เจรณารู้สามมัญลักษณะจนเรียกว่าทุกอย่างมีลักษณะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจนชำนิชำนาญเป็นอย่างดีนะั่นแหละเป็นเตร ะ, ระณปริญญาเนนะไม่ไม่ใส่ใจเลยนะคิดถึงอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่คิดถึงคํำนะ แต่รู้สภาพความไม่เที่ยงคิดถึงคํำว่าไม่เที่ยงกับรู้สภาพไม่เที่ยงนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้ก็คือเข้าไปรู้อถ้าไม่เที่ยงก็คิดถึงแต่เสียงว่าไม่เที่ยงแต่ไปรู้สภาวะของคําว่าไม่เที่ยงอย่างที่ว่าดอกไม้นี้อีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนอะตักไว้ตรงนี้ตลอดไปอีกสิบปีเดือนหน้านะถึงไหมอาทิตย์หน้าก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือดีไม่ดีพรุ่งนี้ นวันอังคารนี่ก็วันอังคารก็แปรแล้วเนี่ยนะนะมันเหี่ยวแล้วนะเนี่นะถ้าเอาเอาที่เหี่ยวออกเดี๋ยวไอ้ข้างหลังมันก็เริ่มเหี่ยวตามไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเอยาใส่ใจว่าไม่เที่ยงก็คือเป็นคนที่รู้อายุความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นรู้เลยอายุของของเข้าของเครื่องใช้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะไม่มีความสําคัญว่ามันคงทนยั่งยืนเข้าไปใส่ใจอย่างนี้จนชนํชนานิชานาญ อันนั้นแหละเป็นตีรณะปริญญาเนี่ยนะอีกสิบปีข้างหน้าจะเห็นคุณการตาเป็นอย่างนี้หรือนะเป็นไหมอีกยี่สิบปีข้างหน้าเขาก็เรียกสวัสดีคุณยายไม่นาเนะชื่อค่ะ อ, อีกสามสิบปีข้างหน้าก็คุณทวดห้าสิบปีข้างหน้าก็งานใครงานใครละไม่รู้ใครไปงานใครกันก่อนแลนะไม่แ น, นะอาจจะอยู่อายุร้อยสองปีอย่างนี้ มันก็สังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้คือเขาเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปตามวัยเนี่ยนะสามวัยนี่คิดเลยนี่ยนะสามวัยมองไอ้สามวัยเนี่นะนึกถึงนึกถึงใครปั๊บสามวัยปฐมวัยมัชชิมวัยปัจฉิมวัยตอนนี้คือปฐมสมมติว่าใครที่อยู่ปฐมวัยอีกภาคหนึ่งก็มัชชิมวัยใครที่อยู่มัชชิมวัยอีกไม่นานก็เป็นปัจฉิมวัยนี่แะ อันก็พยายามคือเป็นคนที่มองอะไรที่มองค่อนข้างระยะยาวเนี่ยนะอย่างต้นไม้ลม้มลุกเนี่ยเห็นตอนมันงอกกปับก็รู้แล้วปีหน้าเดี๋ยวก็ปลูกใหม่เนี่ยนะเห็นข้าวเขียวเนี่ยนะมกราฬกุมภาไปแล้วเหลือแต่สังเนี่ยนะพฤษาพามิถุนาก็เพาะใหม่อีกแล้วเนี่ยนะถ้านา น, า, นาพวกนาปีละครั้งสองครั้งด้วยอะไยิ่งเปลี่ยนบ่อยมากขึ้นคือมองเห็นถึงความเป็นไปเนี่ยนะอยากเห็น ป่าเขาลำเนาพรายที่มันงามคิ้วขจีเดี๋ยวรไปดูเมษากันแล้วกันเนี่ยพระเพลิงลุกท่วมไปหมดลเล่อีกภาคหนึ่งก็สดอีกแล้วเขียวอีกภาคหนึ่งก็หมดไปแล้วก็มองถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารภายนอกบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารภายในผู้ที่บรรลุเพราะพิจารณาดอกบัวนี่เยอะเยอะมากนีนะ่เป็นร้อยเลย พ, พระประเจกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นดอกบัวเฉาเนี่ยดอกบัวโรยเนี่ยกลีบมันร่วงมันเชฉาบรรลุปเป็นพระปเจกเป็นร้อยดนันการพิจารณาดอกบัวผู้ที่ทําบุญด้วยด้วยดอกบัวบ่อยๆก็มันที่จะน้อมและเลือกแต่นนว่าดอกอันนะดอกบัวนี่น้อมปรารภเป็นผู้ถวบชานะแล้วก็พิจารณาอายุของดอกบัวนี่นะเช้ามาปักดีๆพรุ่งนี้ก็เป็นกลีบเกลื่อนไปหมดอันนะถ้าไม่อะไรอะไรสามวันผ่านไปเนี่ยกลิ่นหอมไหมแถวนั้น ไม่หอมนะเนียยอมเขาเล่าว่าดอกไม้ของเขานะี่ยเขาต้องหยิบเปลี่ยนน้ําในกระถางประจำเขาบอกนะแล้วก็ตัดโคนทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้าซะทาไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวสิ่งปฏิกูลมันจะเกิดแถวนั้นเพราะคนที่รู้เหตุปัจจัยเป็นไปเนี่ยก็มองถึงอายุใช้งานของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งมองเห็นความเป็นไปเนี่ยนถ้าใส่ใจอย่างนี้จะไม่มีสําคัญหมายว่าเที่ยงเลยเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง สม่าเสมอใช่ไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่มันเปลียปล่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยสุขหรือทุกข์กันแน่ะทุกข์อย่างเวลาที่เรานั่งนะสมมติใครจะนั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนี่แล้วการนั่งเนี่ยนั่งด้วยความสุขหรืออย่างไรอันนี้ก็ไม่ใช่นะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยใครมีอานาจในสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนี้บ้างมีไหมอันนะ ที่เกิดมาแล้วก็ขออย่าแก่ที่แก่แล้วก็ขออย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็ขออย่าตายไม่มีใครมีอำนาจเปลี่ยนแปลงว่าอย่าแก่อย่าป่วยอย่าตายนไพระสังขารทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้เองของภาษาไทยนะขามาชอบมากเขาเขาตั้งชื่อคําว่าโรงพยาบาลเนี่ยชอบมากโรงก็คือโรงพยาบาลเป็นศัพท์ไทยเลยโรงพยาบาลก็มาจากวยะปาระวยะแปลว่าเสื่อมปาระแปลว่ารักษา เข้าไปดีซ่อมแซมบำรุงรักษาความเสื่อมแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าห้ามตายห้ามอะไรหรอกก็แบบนั้นอย่างพยาบาลก็คือคนที่รักษาความเสื่อมวยะปาละแปลว่ารักษาความเสื่อมนั่นนั่นคือให้มันเสื่อมสภาพพอใช้งานต่อไปได้เพราะมันหมดสภาพแล้วมันก็คือโรงพยาบาลก็คือวยะแปลว่าเสื่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดานั้นพวกที่เสื่อมแล้วก็จะไปใช้บริการไงเพราะสังขารทั้งหลายเข้าเป็นอย่างนี้แหละ ก็ภาษาไทยบางทีถ้าเอาบาลีมาเนี่ยทําให้เข้าใจธรรมะขึ้นอีกเยอะเหมือนกันทําให้มองเห็นว่าเอสังขารก็เป็นอย่างนี้แหละการที่เข้าไปรอบรู้สายใจแบบนี้สม่ําเสมอด้วยดีแล้วก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละเป็นติรณะประิญญามองเห็นบ้านเห็นเรือนนะอีกห้าสิบปีผ่านไปเนี่ยหลังนี้จะเอามาใช้งานได้ไหมบ้านไม่ใช่หลังนี้ที่นี้ที่เดียวนะที่อื่นก็เหมือนกัน ตึกที่กาลังสร้างสร้างสวยงามเปิดงานใหม่นะคิดไปอีกห้าสิบปีข้างหน้าหลังนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะก็หมั่นไข้ครัวเนี้ยคือพยายามคิดให้มันกว้างๆยาวๆก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าอุปาทฐาธิปิทังค่านะถ้าอุปาทฐาธิปิทังค่านะไปมาวางก่อนไปดูเด็กมาจุดประทับไม่ใช่ไปดูนะคือเดินผ่านเดี๋ยวก็ดังโปเป้โปเป้โปเป้นั่ยนะถ้าหากว่าไม่เที่ยงเขาเห็นอย่างนั้นนะไปดูหนังอ่ะจะเกือบบรรลุเลย เข็นฆ่าหรือว่าระเบิดตุ้มตามตายเต็มจอไปหมด น, นั้นไม่ใช่ไม่เที่ยงแบบนั้นไม่เที่ยงแบบนั้นมันโทสะแต่ถ้าไม่เที่ยงก็คือพิจารณาตามที่ควรจะเป็นเนี่ยนะตามความสภาพที่เ ป, เป็นจริงว่ามันมันเปลี่ยน เ, เพราะ เ, เปลี่ยนเพราะเหตุเช่นนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุเช่นนี้เป็นอ น, นัตตาเพราะเหตุเช่นนี้อาการที่เข้าไปไข่ครวญอย่างนี้เป็นอย่างดีนั่นแหละเป็นตีรณปริญญา ส่วนปหานะปริญญาเนี่ยนะถ้าเจริญได้ดีแล้วใส่ใจไปในอารมณ์ไหนสําค pues ัญหมายว่าเที่ยงไม่มีเลยสําคัญหมายว่าสุขไม่มีเลยสําคัญหมายว่าเป็นอาตาไม่มีเลยมานสิการไปตรงไหนเนี่ยนะเห็นแต่ลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาตาเพราะตีรณปริญญาเหมือนการไปแปะตีตราไว้นะว่าแกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตานะเหมือนเข้าไปตีตราไว้กับทุกอารมณ์ ไว้กับทุกคนด้วยอะไปตีตราไว้กับทุกคนแต่บางคนไม่ต้องไปตีตราหรอกเพราะตรามันประกาศเองถ <c oughs> ้ามันชัดแล้วนะตรามันชัดอยู่แล้วแพทบไม่ต้องตีตราเลยนะตรามันตรากฎนะแต่ถ้าเป็นพวกวัยต้นๆหน่ะก็ไปตีตราไว้เลยเนยะนะพึ่งพระองค์ตรัสในมหาทุ ก, กขคันทสูรบอกว่าสุคโสมนัสข้อไปอาศาธาของรูปเป็นฉไนอ่างนั้น ก็เพิ่งเห็นนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณนางสาวเครือบดีผู้มีวัยสิบห้าสิบหกเนี่ยนะความน่ายินดีแห่งรูปนี้ปรากฏแล้วใช่ไหมไม่เพราะเพราะเป็นคนที่ไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปไม่สูงเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่หุ่นเกินไปเนี่ยกําลังดีแบบนั้ น, นอายุสิบห้าสิบหกปีเนี่ก็ถือว่าความงามเนี่ก็เปล่งปลังเลยใช่ไหมบอกว่าสุขมสมมณัตอันใดที่อาศัยได้เห็นได้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าอัสาธา เพิ่งเห็นนางสาวคนเดียวกันนั่นแหละโดยการผ่านไปอายุเก้าสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีเนี่ยนะเป็นหญิงแก่ถามว่าโทษปรากฏแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะคนเดียวกันนั่นแหละนอนสมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะอาบด้วยอุจาระประสัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าโทษปรากฏแล้วใช่ไหมคนเดียวกันนั่นแหละถูกเข้าท่อทิ้งไว้ในป่าชา้า นะก็ร่างกระดูกอร่างก็กค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมก็ใช่เพราะฉะนั้นอีกห้าสิบปีนะของมาเป็นผงมาแล้วทิ้งขันอันนี้ถือเอาขันอันใหม่เรียบร้อยแล้วมั้งมันนั่นนะไม่แน่นะก็หวังว่าคือพวกกรร ญ, ญาพวกนี้ต้องหมั่นไปใส่ใจถึงความเปลี่ยนแปลงเนยนะถ้า น, น, นครอยากพบผู้การเนี่ยอีกสามสิบปีนี่ไม่ต้องละเก็บพีดีโอไว้ดูอย่างเดียวนี่นะ สงสัยที่ถ้าให้อยู่ถึงห้าสิบปีนี่สงสัยบอกไม่อยู่แล้วขอเธอขอไปประมาณนั้นเลยว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ยั่งยืนหรอกบบนะเคยเห็นไหมเกิดมาแล้วสังขารเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าใครเป็นคนช่าง ส, สังเกตสรีระของตัวเองบ่อยๆนะจะรู้บอกว่าช่างหน้าตำหนิเหลือเกินก็มาเห็นโยมคนหนึ่งนะตอนเห็นตอนแรกนะผมแกดกดําดี เปลี่ยนไประยะหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปไอ้ขาวจนขาวเยอะขึ้นเปลี่ยนแปลงผ่านไปไม่นานนี้ขาวจนตกใจเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เจอกันก็บ่อยนะแต่ว่าช่วงหลังทาไมมันตกใจว่าแกขนาดนี้เลยหรือเดีนี้ก็พึงน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา